วันนี้เป็นวันที่สาสบอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสอง9ห้าห้าสเป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปีพุทธศักราช2559ห้าห้าสเป็นการเดินทางของเวลา ที่เดินไปก้าวไปเรื่อยๆไม่มีการถอยกลับพระพุทธเจ้าจึงสรงสอนให้พวกเราคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะการกระทำของเรานี่เป็นเหตุ ที่จะทำให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเจริญหรือเกิดความเสื่อมขึ้นมาถ้าเราไม่คอยถามตัวเราเองไม่คอยดูว่าเรากําลังทำอะไรกันอยู่เราอาจจะทำในสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสีย ก็ได้แต่ถ้าเราคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆและคอยดูคอยสังเกตดูว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เราก็จะได้รู้ว่าเรากำลังสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์กันกำลังสร้างความเจริญหรือสร้างความเสื่อมกัน การที่เราจะรู้ว่าการกระทาของเรานี้จะทำให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์เกิดความเจริญหรือเกิดความเสือ่อมเราก็ต้องศึกษาจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวรของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นผู้รู้ในเรื่องของการกระทําว่าทําอย่างไรถึงทําให้เกิดความสุขเกิดความเจริญทาอย่างไรถึงทาให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียตามมาถ้าเราเข้ามาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนเราว่า การที่จะทำให้เราสุขเราจเจริญ น, นั้นเราต้องอทำทานเราต้องรักษาศีลเราต้องภาวนานี่คือการสร้างความสุขและความจเจริญพอผลที่จะเกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนา ก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เองมรรคผลนิพพานนี้เป็นสถานภาพของจิตของพวกเราที่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลําดับและมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลําดับจนถึงสุขขั้นสูงสุดสุขที่จเจริญสุ้ ความเจริญที่สูงสุดก็คือการได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารที่เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่สัตว์โลกทั้งหลายติดกันอยู่ อระุธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะสอนให้พวกเราไม่ให้เดินไปในทางที่จะพาให้พวกเราไปสู่ความทุกข์ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดการกระทําอย่างไรที่จะทําให้พวกเรานั้นติดอยู่การกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ก็คือการแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้เองทางนี้จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะจะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทางที่จะพาให้เราไปสู่การ เส้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการทำทานการรักษาสิงการภาวนาดังนั้นเราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาเพื่อที่เราจะได้เตือนตัวเราเองได้ว่าเรากำลังไปในทางทิศทางไหนกันแน่เราก่อจะถามว่า วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำทานกำลังรักษาศีลกำลังภาวนากันอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดทภากันนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่หลงหลงทางเหมือนกับการคอยเปิดดูแผนที่ อยู่เรื่อยๆเพือ่อเราจะได้รู้ว่าเรากำลังไปในทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ถ้าเราไม่ดูแผนที่บางทีเราเผลอเลี้ยวไปทางผิดก็ได้ถ้าเรารู้เราก็จะได้ถอยกลับมาได้ถ้าไม่รู้เราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรา ไม่ต้องการจะไปกันนี่คือชีวิตของพวกเราเป็นเหมือนผู้เดินทางตอนนี้เราเดินทางในวงจรหรือในวัฏะของการเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่เพราะเรามีความอยากที่จะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุข ทางตาหูจะบกลริ้งกายกันนั่นเองตราบใดที่เรายังมีการมีความอยากที่จะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ้าอยู่เราก็จะต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากนี้มันจะไม่มีวันหมดตราบใดที่เรามีการทำตามความอยากก็เหมือนกับการต่ออายุให้กับความอยาก ให้มีเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้เราไม่อยากในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณพะก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาและได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกให้ได้บำเพ็ญกัน ก็คือวิธีของทานศีลภาวนานี้เองพระพุทธเจ้าส่งหยุดการใช้เงินใช้ทองในการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนี้เราต้องไปซื้อมากันเราอยากจะดูเราก็ต้องไปซื้อ สิ่งที่เราอยากดูมาดูกันเราอยากจะฟังเราก็ต้องซื้อสิ่งที่เราอยากฟังกันอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นสัมผัสกับสิ่งที่เราอยากจะได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นสัมผัสเราก็ต้องไปซื้อมาไปหามาแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรใจจะไม่รู้จักคําว่าอิ่มว่าพอ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำความอิ่มความพอให้แก่ใจได้แต่กลับจะทำให้เกิดความอยากความหิวความต้องการเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าต้องยุติการหาสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ก็เลยทรงสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง สละพระราชทรัพย์ของพระราชกุมาสรสละราชสมบัติของราชกุมารไม่ทรงใช้ทรัพย์ของพระราชกุมารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ออกไปบปําเพ็ญศีลและการภาวนาเพื่อที่จะ หยุดความอยากต่างๆเพื่อที่จะทำให้ใจสงบใจของพวกเราที่ไม่สงบกันที่ไม่มีความสุขกันก็เพราะว่าเรามีความอยากกันความอยากนี้จะคอยกระตุ้นจะคอยขยา่าให้ใจของเรานีา้ไม่มีความสงบกัน พอใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มไม่มีความพอกันก็เลยต้องไปทําตามความอยากพอเวลาได้ทําตามความอยากความอยากก็จะพับตัวชั่วคราวตอนนั้นจิตก็สงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขปลอมคือความสุขชั่วคราว เพราะพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความสุขที่ได้นั้นก็จะหายไปแล้วเราก็ต้องไปทําตามความอยากกันอีกเพื่อที่จะทําให้ความอยากนั้นสงบตัวลงไปเพื่อที่จะทําให้ใจสงบแล้วก็มีความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมา นี่คือวิธีที่พวกเราหาความสุขกันวิธีที่พวกเราบาบัดความไม่สบายใจความทุกข์ใจกันเวลาที่เราเกิดความอยากนี้ใจจะลไม่รู้จะรู้สึกไม่สบายขึ้นมาทันทีจะงดเหน็ดจะลำคาญจะกะังวลกวายกระสับกระส่ายพอได้ทำตามความอยากแล้วความงดเหน็ํลำคาญใจก็จะหายไป ชั่วคราวจนกว่าความอยากใหม่จะโผล่ขึ้นมาอีกเราจึงต้องเจอกับความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยมีมากมีน้อยถ้ายังมีความอยากอยู่ความทุกข์ความไม่สบายใจก็ยังจะปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าวิธีที่จะทำให้ใจของเราสงบอย่างแท้จริงอย่างถาวรให้มีความอิ่มความพอไปตลอดจำเป็นที่จะต้องกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปให้ได้และเหตุที่จะทำให้ความอยากต่างๆหมดไปก็คือการทำทาน การรักษาศีลการภาวนานี่เองการทำทานนี้ก็จะช่วยทำให้เราปิดทางของความอยากไปได้หยุดความอยากไปได้บางส่วนเช่นความอยากที่จะใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆอย่างตอนนี้ช่วงวันหยุดสี่วันนี้ถ้าเราเอาเงินทองไป ซื้อความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายกันเราก็จะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆมาเสพกันเราก็จะเกิดความสุขกันช่วงระยะในสี่วันนี้แต่หลังจากนั้นพอเรากลับมาบ้านกลับมาทำงาน ความสุขเหล่านั้นก็จะค่อยๆหายไปเพราะจะมีความสุขอย่างอื่นปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปทำตามความอยากเพื่อให้ความไม่สบายใจนั้นหายไปเราก็จะติดกับอยู่กับการที่จะต้องทาตามความอยากอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราวันหยุดสี่วันนี้เรามา อยู่วัดกันมาบาเพ็ญศีลภาวนากันมาทำทานกันเอาเงินทองที่เราจะไปเที่ยวกันนี้มาทำบุญทาทานกันเราก็จะสกัดเรื่อหยุดความอยากไปเที่ยวได้ถ้าทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินนี้มาทำบุญทาทานมาอยู่วัดกัน ต่อไปความอยากเที่ยวมันจะหายไปนี่คือหน้าที่ของการทำทานคือต้องการที่จะหยุดการใช้เงินทองไปทำตามความอยากต่างๆเพราะมันจะทำให้เราต้องเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากนั่นเอง แต่ถ้าเราเอาเงินทองมาทำบุญความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปทำตามความอยากต่างๆนี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหมดไปแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเด่นลนหาเงินหาทองมาเที่ยวกันมาทำตามความอยากกันเราอยู่เฉยๆอยู่บ้านก็มีความสุขได้ ถ้าเร า, เาไม่มีความอยากที่จะออกไปนอกบ้านออกไปเที่ยวออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอยู่บ้านก็มีความสุขสบายได้ในระดับหนึ่งเพราะความอยากเที่ยวอยากออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆมันน้อยลงไปหรือมันหมดไปเราก็จะอยู่บ้านก็ได้หรือไปอยู่วัดก็ได้ถ้าเราอยากจะ หยุดความอยากส่วนอื่นที่เรายังไม่ได้หยุดคือความอยากทําบาปต่างๆก็ยังมีอยู่เราก็ต้องใช้การรักษาศีลเป็นวิธีกําจัดมันเป็นวิธียับยั้งมันการกระทําด้วยทางกด็ดีด้วยศีลก็ดีนี้ยังไม่สามารถที่จะทําลายความอยากได้อย่างถาวร แต่เป็นการสร้างกำแพงเป็นการยับยั้งความอยากไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปกับการไปทำตามความอยากต่างๆแล้วเราจะได้มีเวลามาทำลายความอยากอย่างถาวรต่อไป การที่เราจะทาลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้อย่างทาวรเราต้องภาวนากันการทำทานการรักษาศีลนี่เป็นการเหมือนกับตัดกิ่งก้านของความอยากแต่ยังไม่ได้ตัดต้นหรือถอนรากถอนโคนของความอยากถ้าเราไม่รักษาศีลต่อไปถ้าเราหยุดทำทาน เดี๋ยวความอยากก็จะให้เราเอาเงินทองไปเที่ยวไปทำอะไรตามความอยากกันได้ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จะไปทำบาป ท, ทำอะไรต่างๆที่เราไม่ควรจะทำกันได้นอกจากว่าถ้าเราทำทานจนกระทั่งเราไม่มีเงินทองเหลือที่จะเอาไปใช้ตามความอยากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินทอง ไปทําตามความอยากได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงออกบวชนี่พระองค์ก็ไม่มีเงินทองติดตัวไปแล้วพระที่ไปบวชกันนี่เขาก็ไม่มีเงินทองติดตัวไปกันเขาก็เลยไม่มีไม่มีเงินทองที่จะไปทําตามความอยากกันถึงแม้จะยังมีความอยากอยู่แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ ก็เลยไม่ได้ทำให้ต่ออายุของความอยากให้มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่หมดยังมีอยู่ภายในใจมันจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเราใช้การภาวนาถ้าเรามาภาวนานี้เราก็จะเป็นเหมือนกับการตัดตัดต้นของความอยากแล้วก็ถอนรากถอนโคนของความอยากเวลาตัดต้นนี้มันก็ยังไม่ ตายอย่างถาวรต้นไม้ที่เราตัดนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปมันก็งอกขึ้นมาได้เพราะยังมีรากอยู่ถ้าอยากให้ต้นนั้นมันตายอย่างถาวรก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นมาการภาวนาจึงแบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันที่เรียกว่าสามถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นการ ตัดต้นของความอยากแล้วก็เป็นการถอนรากถอนโคนของความอยากสมถาภาวนานี้เป็นการตัดต้นของความอยากให้มันหายไปไม่มีต้นไม้เหลืออยู่เลยไม่มีความอยากอยู่เลื อ, อยู่เลยแต่มันยังโผล่ขึ้นมาได้เพราะยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนเช่เวลาที่เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบ ความอยากนี่จะหยุดทำงานทันทีจะหายหไปเลยใจตอนนั้นเหมือนกับไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลยขณะที่อยู่ในสมาธิพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลยนั้นใจก็มีความสุขเหมือนกับได้ไปถึงพระนิพพานแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะไม่นานจิตก็จะต้องถอนออกจากสมาธิมา พอถอนออกมาแล้วพอามาเริ่มคิดเริ่มเห็นเริ่มรับรู้เรื่องราวต่างๆความอยากมันก็จะตามมาทันทีพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาทันทีพอคิดถึงร่างกายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันที พอมันโผล่ขึ้นมามันก็ยังจะทําให้ใจของเร า, าวุ่นวายได้ทําให้ใจของเราไม่สบายได้เราจึงต้องใช้วิธีขั้นที่สองวิธีที่สองคือวิปัสนาภาวนาเพราะเป็นวิธีที่จะถอนรากโคนของความอยากให้หายไปให้หมดไปได้รากโคนของความอยากคืออะไรก็คือความหลงนี่เอง ความหลงที่คิดว่าการทำตามความอยากแล้วจะได้ความสุขเพราะเราเคยทำอย่างนี้มาเวลาเราอยากอะไรแล้วพอเราได้สิ่งที่เราอยากเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่ามันสุขเดียวเดียวแล้วเดียวพอความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาความสุขที่ได้จากการได้ทำตามความอยากก็หายไป ความไม่สบายใจความหงุดหงิดลำคาญใจก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ไปทำตามความอยากกันอีกเพื่อจะได้ล้างความหงุดหงิดความไม่สบายใจให้หายไปเราก็เลยคิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการดับความไม่สบายใจเป็นการสร้างความสุขให้กับใจอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเพราะความจริงนั้น การที่จะทำให้ความอยากหายไปนั้นต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นเพราะถ้าไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเราต้องสอนใจทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาถ้าอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่เราเรียกว่าตัณหาถ้าอยากในสิ่งที่จาเป็นนี้เราไม่เรียกว่าตัณหา ทำได้เช่นถึงเวลาจะต้องรับประทานอาหารเช่นร e ่างกายบอกว่าหิวต้องถึงเวลาต้องรับประทานอาหารแล้วถึงเวลาต้องดื่มน้ำแล้วอย่างนี้ถ้าเรารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำตามความต้องการของร่างกายนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นตัณหาเป็นความอยากแต่ถ้ารับประทานเกินความต้องการของร่างกายนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นตันหา เช่นเราถ้าจะรับประทานเพื่อร่างกายนี้เรารับประทานวันละครั้งก็พอครั้งเดียวนี้ร่างกายก็อยู่ได้รับรองว่าไม่ตายอย่างแน่นอนจะไม่ตายเพราะขาดอาหารแต่ถ้าเรารับประทานมากกว่าหนึ่งครั้งนี้แสดงว่าเรารับประทานด้วยความอยากแล้วอันนั้นเราก็ต้องดูจักแยกแยะว่าอะไรเป็นความอยากคือเป็นตันหา อะไรเป็นความจำเป็นของร่างกายที่เรายังมีความรับผิดชอบที่ยังต้องคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายอยู่เราก็เลี้ยงดูร่างกายด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปเลี้ยงดูด้วยความอยากเพราะมันจะมาสร้างความไม่สบายใจให้กับใจและจะทำให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ นี่คือการใช้วิปัสสนาคือปัญญาสอนจิตตามหลักของความเป็นจริงให้รู้ว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองและการมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ํำอีกก็เกิดจากความอยากของพวกเรานี้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราอยากจะกําจัดความไม่สบายใจ อยากจะกำจัดการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่ทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องทำใจให้สงบ พ, พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่จะทำให้เราอยากเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะเกิดความอยากให้มันหายแต่ร่างกายมันจะหายไม่หายมันไม่ได้เกิดจากความอยากของเรา มันเกิดจากยารักษาถ้ายาเป็นยาที่มีสมรรถภาพมันก็สามารถรักษาให้โครคภัยไข้เจ็บหายได้ถ้ายาไม่มีสมรรถภาพประสิทธิภาพก็จะรักษาให้หายไม่ได้หายหรือไม่หายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายมันไม่เป็นเรื่องของใจใจเราไม่ได้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายใจของเราทุกเพราะความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันหายไปหรือความอยากไม่ให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาอันนี้เราพอเกิดความอยากนี้เราจะทรมานใจขึ้นมาทันทีเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราจะรู้ไม่จะรรู้สึกไม่สบายใจตามไปด้วย เจ็บร่างกายแล้วยังไม่พอยังต้องมาเจ็บที่ใจด้วยทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเลยแต่เพราะความอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บจึงทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะเราไม่มีปัญญาแยกแยะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเรา เราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายกันพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่อยากให้มันเจ็บเราก็จะอยากให้มันหายพอมันยังไม่หายมันยังเจ็บอยู่เราก็ทุกทรมานใจกันแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าความทุกทรมานใจของพวกเราเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่อยากเรือเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหาย ถ้าเรารู้และเรารู้ว่ามันเกิดจากความหลงของเราที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นผู้รับใช้ใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ใจไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่ ไม่เจ็บได้ไม่แก่ได้ไม่ตายได้ความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีใครจะมายับยัง้งมาเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาพอเราใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราและความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราก็มาหยุดความอยากกันพอเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต่อไป <c oughs> นี่คือวิปัสสนาปัญญาถ้าใช้สมถะใช้สติทําใจให้สงบนี้มันก็จะไม่ทุกข์ตอนที่จิตอยู่ในสมาธิ เวลาเจตยียสมาธินี้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันจะไม่ทำงานหรือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมันจะไม่ทำงานแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอจะพอไปคิดถึงรูปเสียงจิตลดมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอไปคิดถึงร่างกายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย มันก็จะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมาทันทีตอนนั้นเราก็ต้องคอยสอนใจว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องคิดว่าเราไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เท่านั้นเแล้วเราต้องอย่าไปอยากมันต้องทำใจเฉยๆให้อยู่กับความแก่ไปให้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปให้อยู่กับความตายไปแล้วใจเราจะไม่ทุกข์เพราะใจเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายที่ตายที่แก่ที่เจ็บนี้ไม่ใช่เราเป็นคนนับใช้เรา เราเป็นเจ้านายร่างกายเป็นคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบา่าวถ้าเรารู้จักแยกแยะด้วยปัญญาเราก็จะทำใจเฉยๆได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่มีความอยากกับอะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะต้องสอนใจว่ามันเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดดีๆนี่เองใครติดยาเสพติดแล้วนี่จะต้องเป็นธาตุของยาเสพติด เวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทรมานใจแล้วถ้าเสพก็ติดติดก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆใครถ้าเรายังติดอยู่รูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพอยู่เราก็ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสผดท่าพะมาเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่หาไม่ได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายพิกลพิการไปไม่สามารถทา สิ่งที่เราอยากให้ร่างกายทำได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจหรือเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็ยังจะกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายอยู่เราก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของการมาเกิดใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย ก็เกิดจากการที่เราดําเนินชีวิตของเราไปในทางของการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่เองพอไม่มีร่างกายก็เลยต้องกลับมาหาร่างกายใหม่พอไม่มีรูปเสียงกดลดิ่นรสก็ต้องไปหารูปเสียงกดลิ่นรสกันเช่นวันหยุดสี่วันนี้ก็ต้องไปเที่ยวกัน เพราะเป็นเวลาว่างเป็นเวลาที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นการไปต่ออายุของความอยากจะทำให้อยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปอีกเดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วก็รอวันหยุดใหม่วันหยุดคราวหน้าก็เป็นตุดจีนก็ไปกันอีกก็จะไปอย่างนี้กันไปเรื่อยๆจนแก่จนเจ็บจนตาย ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาทําตามความอยากอันใหม่นีแต่การมีร่างกายแต่ละครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นของสนุกนะมันไม่ใช่เป็นความสุขอย่างเดียวร่างกายนี้ต้องเลี้ยงดูมันที่เราต้องเหนื่อยยากกันก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำอาหากินกันต้องทุกข์กับการทํางานทําการ เพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็หาเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาใช้ร่างกายไปซื้อความสุขต่างๆที่เป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดคนที่ไม่ติดยาเสพติดกับคนที่ติดยาเสพติดนี้ใครสบายกว่ากันคนที่ไม่ติดยาเสพติดก็ไม่ต้องไปซื้อยามาเสพก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทอง คนที่ติดยาเสพติดนี่ก็ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วก็มักจะต้องไปหาเงินแบบทุจริตกันเพราะจะต้องการมาไวๆต้องการมามากๆมาแบบง่ายๆเพื่อจะได้เอามาเสพยากันเพราะจะต้องอถ้าจะต้องไปทำงานแล้วนานๆเธอจะได้เสพสักครั้งนี้มันทรมานมันทนไม่ไหวคนที่ติดยาเสพติดจึงมักจะต้องไปทำบาปทำกรรม ไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเองขึ้นมาอีกแต่คนที่ไม่ต้องเสพยาเสพติดนี้เขาสบายเขาอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปหาเงินแบบทุจริตทำงานแบบสุจริตได้เอาเงินมาใช้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่ทจําเป็นได้โดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนไปวุ่นวายใจมากจนเกินไป เนี่ยถ้าเราสามารถลดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้นี้ชีวิตของเรานี้จะสบายขึ้นเยอะเพราะเราไม่จะไม่ใช้เงินน้อยลงไปเงินทองส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนี้ไม่ได้ใช้ไปกับความจำเป็นของร่างกายแต่ใช้ไปตามความอยากของของใจที่อยากจะได้สิ่งของต่างๆอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกันแล้วก็เลยทำให้เราต้อง เนื่อยกับการไปทำมาหากินทุกข์กับการไปทำมาหากินไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อของตามความอยากต่างๆและเวลาที่ไม่ได้ซื้อก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเราเลิกซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆได้เลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทัพอธได้ใจเราจะมีความสุขมีความสบายมากขึ้น อย่างพวกที่เขามาบวชกันพวกที่เขาถือศีลแปดหรือศีลสองอยิบเจ็ดนี้เขาไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายกันเขามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะดีกว่าเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอเลยก็คือหยุดความอยากกันอย่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือการทำตามความอยากเพราะจะไม่สามารถกำจัดความอยาก ให้หายไปได้เหมือนกับการตัดต้นไม้ถ้าเราตัดแต่กิ่งแต่กา้านตัดแต่ต้นเราไม่ถอนรากถอนโคนเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ต้นไม้เราต้องไปถอนที่รากที่โคนการจะถอนรากถอนโคนของความอยากได้นี้ต้องถอนด้วยการบําเพ็ญภาวนาขั้นต้นก็ใช้สมถะภาวนาตัดต้นมันก่อน พอ ต, ตัดต้นออกไปแล้วขั้นที่สองก็ขุดรากถอนโคนขึ้นมาพอรากของต้นไม้ถูกถอนขึ้นออกมาจากดินแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็จะไม่มีวันจเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาได้อีกต่อไปถ้าเราสามารถใช้วิปัสสนากำจัดความอยากต่างๆทั้งสามคือการมตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวาตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากใจได้แล้วนี่การที่จะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ไม่มีแล้วเหมือนกับต้นไม้ที่จะไม่มีวันงอกขึ้นมาอีกแล้วถ้าเราถอนรากถอนโคนของมันถ้าเราถอนรากถอนโคนของตัณหาทั้งสามนี้ด้วยปัญญาแล้วภพชาติก็จะไม่มีอีกต่อไป การจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีต่อไปทุกก็จะไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดตามที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นาสตร์ใดที่ยังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพไหนก็ตามภพของเทวดาอินพรหมภพของมนุษย์ภพของเดรัจฉานภพของเปรตของอสุรกายหรือของสัตว์นรกมันก็ยังมีการดับอยู่ เกิดแล้วก็ยังต้องมีการดับอยู่เวลาดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครว่าสุขเลยเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมีแต่บ่นกันว่าทุกข์กันทั้งนั้นเวลาถามกันก็ถามว่าสบายดีหรือไม่อยากให้ทุกข์กันแต่ถามยังไงมันก็ต้องทุกข์กันมันก็ต้องไม่สบายกันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจอความไม่สบาย จะต้องเจอความแก่จะต้องเจอความตายกันเพราะเรามาเกิดกันนั่นเองถ้าเราไม่เกิดรับรองได้ว่าจะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายอย่างแน่นอนและการจะไม่มาเกิดได้ก็ต้องกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจทั้งสามนี้ให้หมดไปให้ได้กำจัดการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้ให้หายไป ด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองนี่จึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องคอยเตือนตัวเองคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำทานรักษาศีลกำลังภาวนานกันอยู่หรือไม่อย่างตอนนี้ถ้าเราถามเราจะได้คาตอบที่ถูกต้องทันที ว่าเรากาลังทำทานกำลังรักษาศีลกาลังภาวนากันขณะนี้พวกท่านกำลังทำทานกันเงินทางเข้าของที่นำมาถวานนี้เรียกว่าเป็นการทำทาน ก, นการนั่งเฉยเฉยไม่พูดไม่ทำอะไรนี่ให้ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลกันแล้วการนั่งเฉยเฉยไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจสงบอยู่กับการฟังเทศฟังธรรม ก็เรียกว่าเป็นการภาวนากันภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำให้มากๆทำให้บ่อยๆเพราะยิ่งทำมากก็จะทำให้เกิดผลมากขึ้นมาและก็จะเกิดขึ้นเร็วถ้าทำน้อยนานๆทำทีมันก็จะเกิดผลน้อยเกิดผลช้าถ้าเราเอาเวลาอันมีค่านี้ไปหาราบยศสรัลรเสญ ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างบางท่านที่ตอนนี้กำลังไปท่องเที่ยวกั น, นเขากำลังไปไปไปเติมภพชาติกันไปเติมการเกิดแก่เจ็บตายกันเขาไม่ได้ไปตัดภพชาติไม่ได้ไปตัดการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการกระทาแบบนี้จะทำให้เกิดความอยากในกามาตัาหามากขึ้นเกเราภววาตันหามากขึ้น เกิดวิภาวะตัญหามากขึ้นนั่นเองถ้ามีการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหามากขึ้นการเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับแต่ถ้าเรามาในทางนี้มาทางทานศีลภาวนานี้การเกิดแก่เจ็บตายก็จะน้อยลงไปตามลำดับพอเราได้ถึงขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันแล้วการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในภพของมนุษย์นี้ก็เหลือแค่เจ็ ชาติเป็นอย่างมากแล้วพอเราขึ้นขั้นที่สองขั้นพระสะกีดาคามีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะเหลือเพียงชาติเดียวแล้วถ้าเราขึ้นสู่ขั้นที่สามได้การที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในภพของมนุษย์นี้ก็จะหมดไปแต่ยังต้องไปเกิดในภพของพรหมของพรมอยู่ไปเกิดในพรมโลกแล้วก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ออกจากว่าตะสงสารเมื่อได้ขึ้นถึงขั้นที่สี่คือขั้นของพระอรหันต์ก็จะได้ไปถึงพระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าบรมมาสุขที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปเพราะทุกข์ไม่มีแล้วเพราะการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแล้วนั่นเองทุกข์จึงไม่มีจะไม่มีก็ต้องไปอยู่ขั้นพระอรหันต์เท่านั้น ขั้นพระโสดาบันนี้ก็ยังต้องมีการทุกข์เวลาที่ร่างกายต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อแต่พอไปถึงขั้นพระอาหารหันต์แล้วนี้ก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราหมั่นถานตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ เรากําลังไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพักกันหรือว่าเรากําลังมาหาทานศีลภาวนากันมาบําเพ็ญทานศีลภาวนากันเพื่อมรักผลนิพพานกันถ้าเราคอยถามอยู่เรื่อยเื่เราจะได้รู้ว่าเรากําลังไปในทิศทางใดถ้าเรากําลังไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็จะไดะ้ถอยกลับมาได้เช่นตอนนี้ กำลังจะไปขึ้นเครื่องไปเที่ยวพอนึกถึงได้ว่าเอ๊ะเรากำลังไปผิดทางเราอย่าไปดีกว่ากลับมากลับมาไปอยู่วัดกันดีกว่าเลือกไปอยู่บ้านไปทำไปทำบุญทำทางที่วัดแล้วก็ไปภาวนาที่ไหนที่สงบสักแห่งหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะดึงใจให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดดึงให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้จะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราจะได้มีคนคอยสอนเราคอยเตือนเราให้เราคิดไปในทางที่ถูกนั่นเองทุกครั้งที่เราได้ยินได้ฟังธรรมนี้เราจะเติมสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเข้าไปในใจเพื่อที่จะลบล้างมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบให้มันหายไปใจของพวกเราทุกคนนี้ มีความเห็นผิดเป็นชอบมากกว่ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะใจของเรานี้ถูกความหลงมันหลอกให้เรามีความเห็นเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเห็นว่าการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเป็นการหาความสุขกันแต่ความจริงแล้วมันเป็นการหาความทุกข์มันเป็นการหาความเกิดแก่เจ็บตายกันนั่นเอง พอเราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วผู้ที่รู้วิธีที่จะทําให้จิตใจนั้นหลุดพ้นออกจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วท่านก็จะเอาวิธีที่ท่านได้หลุดพ้นนี้มาสอนพวกเรากันมาบอกพวกเรากัน <c oughs> ก็คือมาสอนให้พวกเราทําทานกันให้เรารักษาศีลกันให้เราภาวนากันนั่นเอง พอเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเกิดเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะดึงจิต ด, ดึงใจของพวกเรานี่ให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วก็จะดึงจิต ด, ดึงใจของเราให้ไปสู่พนันธิพานกันให้ไปสู่การหลุดพ้นออกจากการเกิดแก่เจ็บตายกันนี่นเองดังนั้นวันเวลามันก็ผ่านไปทุกวันทุกวันท่านว่าเวลานี้เป็นเหมือนกับ ง, งูงูยักษ์งูใหญ่ที่เขเมือบเหยือ่อมันจะเขเมือบเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าเผลอแป๊เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูทีเอา้าเหยื่อที่มันกำลังเขเมือบอยู่นี่มันหาให้เปหวดแล้วเข้าไปในท้องงูแล้วชัในใดเวลานี้ก็เป็นเหมือนงูใหญ่ที่จะเกลืนกินสัตประสัตสัพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ให้หมดไปน ถ้าเราลองย้อนมองย้อนกลับไปเมื่อสักสองปีก่อนเนี่ยเราจะมีกรุงศรีอยุธยาจะมีอะไรต่างๆที่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะเวลามันเกินกินไปหมดแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าห้าสิปีร้อยปีพวกเราทั้งหมดก็จะไม่มีแล้วพวกเราก็จะตายกันไปหมดแล้วเพราะเวลามันจะค่อยๆเกินกินเราไปที่เราเลือเท่าน้อย ฉังนั้นก่อนที่เราจะหายไปหมดไปถูกเวลาเกินกินไปเรารีบเอาเวลาที่เรามีอยู่นในขณะนี้มาทําประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใ จ, จเรากันจะดีกว่าอย่าเอาเวลามาสร้างโทษสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใ จ, จของพวกเราเลยการสร้างโทษก็คือการไปทําตามความหลงการไปหาราบยศสรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่เอง เป็นการสร้างความทุกข์สร้างโทษให้แก่จิตใจเราต้องเอามาสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจด้วยการทำตามที่พระเจ้าได้ทรงกระทาและทรงสอนให้พวกเรากระทากันก็คือให้พวกเรามาทำทานรักษาศีลภาวนากันดังนั้นขอให้พวกเราหมั่นถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆทุกวั น, เ, นเวลาเกิดเวลาเวลาผ่านไป ชั่วโมงหนึ่งก็ถามได้ลนะวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทําทานรักษาศีลภาวนากันหรือว่าเรากําลังไปหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลทาพา ก, กันถ้าเราไปผิดทางเราก็จะได้เปลี่ยนิเปลี่ยนทิศทางกันเพื่อที่เราจะได้ไปในทิศทางที่ถูกที่ควรไปก็คือการทําทานรักษาศีลภาวนานี้ถ้าเราสามารถ เดินไปในทางของทานศีลภาวนาได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ออกไปนอกลู่นอกทางไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานกันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะมีผู้ที่ไปในทางที่ไปถึงกันแล้วมากมายกลายกองไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวบุคคลอื่นที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อในคาสอนและปฏิบัติตามคาสอน ก็ไปถึงพระนิพพานกันมากมายบุคคลเหล่านี้เราเรียกท่านว่าพระอาหารหันตสาวกกันแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่นั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ในขณะนี้แหละแต่พอหลังจากที่ท่านได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็ น, น้อมนําออกไปปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยด้วยอิทธิบาทศีลด้วยความยินดีด้วยความภาคเพลินด้วยความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติ แล้วในที่สุดท่านก็ได้ไปถึงพระนิพพานได้เปลี่ยนสถานภาพจากปุตุชนกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาพวกเราตอนนี้เป็นปุตุชนกันแต่ถ้าเราน้อเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันเราก็จะได้เปลี่ยนสถานภาพของพวกเราจากการเป็นปุตุชนให้กให้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกได้เช่นเดียวกันเพราะการเปลี่ยนนี้ขึ้นอยู่ที่เหตุ ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองก็คือการทําทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางการนําเพ็ญนี้ได้เพราะการบาเพ็ญนี้ทุกคนสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นค า, ารวะหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สามารถทําได้กันทุกคนสมัยพระพุทธกาลนี้มีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทุกเพศทุกวัย มีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะผู้คลองเรือนมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กและมีทั้งผู้ใหญ่ฉังนั้นอย่าใ ห, เห้เหตุผลเหล่านี้มาอ้างมาขัดขวางการปฏิบัติของพวกเราขอให้เรามองว่าจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จิตใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัย ิใจมีกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าเราสร้างธรรมขึ้นมาธรรมก็จะทำลายกิเลสให้หมดไปถ้าเราไม่สร้างธรรมกิเลสมันก็ยังจะเต็มอยู่ในหัวใจของพวกเราอยู่ถ้ามีกิเลสก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีแต่ธรรมไม่มีกิเลสก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่มีแต่พระนิพพานยังขอให้พวกเรามีความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ว่าปฏิบัติแล้วจะต้องได้ผลทุกคนอย่างแน่นอนขอให้เพียงแต่ปฏิบัติกันเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการสิ้นสุดของปีพุทธศักราช2559ด้วยธรรมที่จะให้พวกเรานำเอาไปสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาไหลไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพื่อให้เราจะได้ เดินทางหรือกระทำในสิ่งที่เราควรจะกระทำกันและเลิกกระทำในสิ่งที่เราไม่ควรกระทำกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อําำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอะไรที่อยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติการถามตอบดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามที่ไมโครโฟนได้เลยถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะใหะ้พิธีกรนำเอาคำถามที่ถามจากทางบ้านมาถามก่อนคำถามจากเฟ e บุ๊ k ค, ค่ะ ฟังธรรมของหลวงพ่อและหัดทำสมาธิเองที่บ้านตอนนี้ติดขัดคือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปเริ่มทำสมาธิจนวูบรอบที่หนึ่งจิตสงบทิ้งคำบริกรรมรู้ลมหายใจอย่างเดียวเห็นนิมิตเป็นแสงสีม่วงและจะวูบอีกเป็นรอบที่สอง คราวนี้เหมือนตัวเองนั่งลอยลอยอยู่ในที่กว้างเว้งว้างมีอะไรที่เป็นจุดจุดลอยเต็มไปหมดบางครั้ง ก็เหมือนมีแสงวิบวับคล้ายดวงดาวในภาวะนี้จะมีความคิดผุดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะบางครั้งเหมือนเรารู้เฉยๆบางครั้งเราก็คิดตามบางครั้งหูได้ยินเสียงคนในบ้านเปิดปิดประตูดังมากแต่เราได้ยินเฉยๆไม่หงุดหงิดรำคาญบางครั้งรู้สึกว่ากายหายและกลับมามีกายอีกครั้งถอยเข้าถอยออกแบบนี้ มีครั้งหนึ่งเหมือนเราวูบอีกรอบและรู้สึกว่าร่างกายถูกรวบบีบรัดเข้ามาสักแป๊บก็กลับมารู้ตัวอีกครั้งเราควรทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้คะควรบริกรรมควรดูลมหายใจหรือควรดำรงสภาวะรู้ไว้เฉยๆหรือเราควรทำอะไรมากกว่านี้คะ ถ้านั่งโดยไม่มีสตินี้มันก็จะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาดังั้นเวลานั่งนี้เราต้องมีสติคอยควบคุมใจจะใช้พุทธโธบริกรรมไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจไปก็ได้อย่านั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตมันวูกแล้วมันเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้ามีสติมีคําบริกรรมหรือมีการดูลมหายใจ เวลาจิตวูปแล้วมันจะนิ่งจะสงบจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาจะมีแต่อุเบกขามีแต่สักนวารู้ดังนั้นเท่าที่ฟังมานี้แสดงว่านั่งแบบไม่มีอะไรกำกับใจนั่งหลับตาแล้วก็ปล่อยให้มันจินตนาการไปมันก็เลยเกิดอาการอะไรต่างๆเหล่านี้โผล่ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการดังนั้นเวลานั่งต้องมีอะไรกากับใจ เหมือนกับขี่ม้าเนี่ยถ้าเราไม่ไปมีบังเหียนคอยบังคับมันมา้ามันก็พาเราเดินไปเข้ารกเข้าพกได้ถ้าเรามีบังเหียนเราก็จะคอยควบคุมให้มันไปในทางที่เราต้องการไปได้ยิ่งเราต้องมีอะไรคอยควบคุมใจมีพุโทโธพุโทโธหรือว่ามีการดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ต้องอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยหรืออยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้อะไรทั้งนั้นให้รู้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วพุโทโธหรือ ล, ลมหายใจนี้จะพาเราเข้าสู่ความสงบต่อไปคําถามจากคุณพัชค่ะกรณีผู้ตายได้สั่งเสียไว้ก่อนตายว่าเมื่อเขาตายไปให้นําเงินที่เหลือของเขาไปทําบุญทั้งหมด <c oughs> แบบนี้ผู้ตายจะได้บุญเหมือนกับตัวเองทํำหรือเปล่าคะ ไม่ได้หรอกเพราะตายไปแล้วเงินมันไม่ ไ, มได้เป็นของเขาแล้วถ้าก็อยากจะได้บุญก็ทําตอนที่ยังไม่ตายส่วนเงินที่ตายเวลาตายไปแล้วคนที่เอาไปทานั่นนะ่ะคนนั้นได้บุญคนที่เป็นเจ้าขอ ง, ของเงินต่อไปเพราะคนตายนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของเงินแล้วอย่างนั้นถ้าอยากจะทําบุญทําที่ตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะตายแล้วจะไม่ได้ทานั่นเองคนอื่นท่เราไม่ได้ทา คำถามจากคุณทิพวรรณสีงามสวดมนต์ทุกวันแต่บางวันไม่ได้นั่งสมาธิได้ไหมเจ้าคะก็าตามใจจะกินข้าวก็ได้ไม่กินข้าวก็ได้ถ้านั่งสมาธิมันก็จะได้ความสงบมากกว่าการสวดมนต์ถ้าอยากจะได้เพียงแต่สติพอที่จะควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านก็สวดมนต์ไปแต่ถ้าอยากจะให้จิตสงบรวมเป็นหนึ่งก็ต้องนั่งสมาธิ คำถามจากคุณชองบูญวิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นจากอะไรคะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรก็ความหลงไงความเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยนั่งสมาธิแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วนะพอมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็ไปว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ว่าเป็นโสดาบันว่าเป็นสกิดาคามีก็ว่าไปตามความรู้สึกนะึกคิดทั้งท่านที่ความจริงมันไม่มีเลยเพราะหนึ่งไม่ได้ศึกษาว่า การเป็นโสดาบันนั้นเป็นยังไงแล้ววิธีที่จะทําให้เกิดโสดาบันขึ้นมานั้นเกิดอย่างไรก็ไม่ได้คิดไม่ได้ศึกษากันแล้วก็เวลามาปฏิบตัติก็ปฏิบัติตามความชอบของตนเองนั่งหลับตาไปแล้วก็ปล่อยให้จิตมันวู้มันวาบขึ้นมาแล้วก็เกิดสีเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็แปลว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้เรียกวิวปัสสโเท่านั้น คำถามจากคุณสุจีราค่ะถ้าเราตั้งใจถือศีลแปดในวันพระแต่รู้ว่าบางวันต้องทานข้าวกับเพื่อนถ้าอย่างนั้นเราจะถือศีลแปดในวันก่อนหน้าหรือหลังวันพระเพื่อชดเชยได้ไหมคะได้ถือได้ทุกวันเน่ยเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันที่เราไม่ต้องไปมีภารกิจการงานต่างๆก็ได้วันพระนี่มันเป็นเพียงแต่วันที่กําหนดมาเพื่อในสมัยก่อนเขา ไม่ทํางานกันวันพระก็หยุดวันพระกันก็เลยสะดวกในการที่จะรักษาศีลแปดกันแต่สมัยนี้วันหยุดมันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วมันไม่ใช่เป็นวันพระเราถ้าอยากจะรักษาศี 8, แลแปแเราก็ไปรักษาวันหยุดวันที่เราไม่ต้องมีภารกิจการงานเกี่ยวข้องกับใคร คำถามจากคุณจอยมาริวันการปฏิบัติสมถะกับวิปัสนาควบคู่กันไปแล้วถ้ามักจิตเกิดก่อนยานจิตจะเกิดไม่ได้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะอะไรจิตมักจิตอะไรนะว่าหมถ้ามักจิตเกิดก่อนมักกรจิตอะมักกรจิตค่ะระอาจารย์โทษคนะ่ะ เ, เกิดก่อนแล้วไงแล้วยานจิตจะเกิดไม่ได้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะไม่มักมันก็ลงมาก่อนยานไงยานก็คือผล ก่อนที่จะเกิดผลได้ก็ต้องเกิดเหตุก่อนมรรคเป็นเหตุญาณนยญาณ น, นี้เป็นผลญาณก็คือการอย่างทราบว่าได้รับผลแล้วเแค่นั่งสมาธิพอจิตรวมลงนี่ก็เรียกว่าได้ได้ญาณได้รู้แล้วว่าจิตสงบเอแต่เวลาที่เจริญมรรคก็คือการเจริญพุทโธพุทโธนี่เอก็เป็นการเจริญมรรค ต้องเจริญมากก่อนยานถึงจะตามมาผลถึงจะตามมาคุณขวัญชิงค่ะความโกรธเจ้าค่ะมันไม่เกิดแต่พอเกิดแล้วมันดับยากมากแล้วมันจะคอยลุกขึ้นมาเรื่อยๆทำอย่างไรจึงจะเข้าใจกิเลส ต, ตัวนี้เจ้าค่ะความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราเองพอเราอยากอะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธถ้าอยากจะให้ความโกรธหายไปก็ต้องหยุดความอยาก อย่ไปอยากให้คนนั้นทาอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ไปโกรธเขาที่เราโกรธเพราะเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเขาไม่ทำตามที่เราอยากเราก็เลยโกรธเขา จริงหรือเจ้าคะว่าทำบุญให้พ่อแม่บุญนี้จะได้เท่ากับทำกับพระสงฆ์และพระอรหันต์พ่อแม่เป็นปุถุชนธรรมดาที่มีความโลภโกรธหลงและบุญนี้จะเท่ากับทำบุญให้พระสงฆ์และพระอรหันต์อย่างไรเจ้าคะ อ, อ๋อคือการทำบุญเนี่ยมันมีผลสองส่วนเนี่ยผลที่เกิดจากการเสียสละอันนี้เหมือนกันไม่ว่าจะทำกับใครทากับพาาาระอรหันต์หรือทำกับพ่อแม่ ทำกับสุนัขทำกับแมวเราเสียสละความสุขของเราหรือเสียสละทรัพย์ของเราให้แก่ผู้อื่นไปให้เขาได้รับความสุขเราก็จะได้บุญได้ความสุขใจกลับมาอันนี้ทำกับใครก็ได้เหมือนกันการที่เขาเปรียบปลอยว่าพ่อแม่เป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆ ก, ก็คือหมายถึงบุญคุณของพ่อแม่เนี้พ่อแม่ันี้มีบุญคุณมากเท่ากับพระอรหันต์ สำหรับของลูกนะแต่พ่อแม่ไม่มีบุญคุณกับคนอื่นเหมือนกับพ่อแม่มีบุญคุณกับลูกดังนั้นการทาบุญกับพ่อแม่เนียเหมือนกับการได้ทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่การที่เราทําบุญกับภาหารก็เหมือนกับเราทดแทนบุญคุณให้กับภาหารของภาหารที่มีกับพวกเราเพราะภาหารนี้ท่านก็มีบุญคุณกับพวกเรามาก ถ้าเราไม่มีพ่อละหารนี่เราก็จะไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ส่วนถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์กันไม่ได้ย <Yeah. S 1> ั้นนี่เป็นการเปรียบเปรยเห็นให้เห็นบุญคุณของบุคคลทั้งสองคนว่าเป็นบุคคลที่มีคุณมีบุญมีคุณมากการที่เราได้ตอบแทนบุญคุณกับบุคคลที่มีบุญคุณกับเรานี้เป็นบุญมากเพราะเป็นความกตัญญูกะตะเวที คำถามฝากถามค่ะมีคนฝากเงินร่วมทำบุญบวชพระแต่เขาเปลี่ยนใจไม่บวชเงินนั้นเรานำไปซื้อของถวายพระแทนจะได้ไหมคะและต้องเป็นเงินใบนั้นไหมคะเพราะดิฉันเอาแ บ, แบงค์ใบนั้นไปใช้และนำแบงค์ใหม่จ่ายแทนเจ้าค่ะได้มันเป็ น, น, นทดแทนก็ได้แบงค์มันเป็นเพียงแต่ตัวแทนของทรัพย์ที่เรามีอยู่เท่านั้นเอง หยิบเงินของสามีมาทำบุญโดยสามีไม่รู้ตัวบุญเป็นของใครเจ้าคะก็ยือว่าเงินของสามีนะั้นเป็นของเราด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นของสามีไม่ได้เป็นของเรานหนึ่งเราก็ถือว่าเรารักทรัพย์แล้วเราทำบาปแล้วสองบุญก็เราก็จะไม่ได้เพราะวาบุญเราได้แต่เราจะได้บาปด้วยคือแต่ถ้าเป็นของเรา เราทํานี้เราก็จะได้เขาก็จะได้ถ้าเป็นของสองคน <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้ทําบาปเพราะว่ามันยังเป็นของเราอยู่ยังต้องเระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องข้าของเงินทองต่างๆว่ามันเป็นของใครถ้าเป็นของคนอื่นก็ต้องขออนุญาตจากเขาก่อนแล้วเราถึงจะได้ไม่ได้ทําบาปส่วนคนที่จะได้บุญนั้น ต้องเป็นเจ้าของเงินเองและจะต้องมีเจตนามีความตั้งใจว่าอยากจะทําบุญถ้าทําโดยที่ไม่มีเจตนาเช่นภรรยาเอาเงินสามีไปทําบุญนี้สามีไม่รู้เรื่องเลยนี่สามีก็ยังไม่ได้บุญผมขอกลับเรียนถามพระอาจารย์หนึ่งเรื่องเพื่อประดับสติปัญญาครับจิตของจักรโลกทั้งหลายเนี่ย ไม่ทราบว่ามีตัวตนหรือไม่ครับอาจารย์เ อ, อจิตนั้นไม่มีตัวตนล่ะจิตมันก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่มันไปคิดว่ามันเป็นตัวตนนั้นนนั่เองครับ แ, แล้วอืแล้วเมื่อไม่มีตัวตนนี้ผมจะปฏิบัติตอนในทางธรรมะอย่างไรครับ อ, อ้าวก็ปฏิบัติจิตไงปฏิบัติจิตให้มันไม่ทุกข์ไง ต, ตอนนี้จิตมันมีปัญหาจิตมันทุกข์เพราะมันมีกิเลส เราปฏิบัติเพื่อชำระกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตพอจิตไม่มีกิเลสมันก็จะไม่มีความทุกข์ในจิตเราก็จะมีความสุขเพราะเราออกมาจากจิตะเอเ อ, เอพอเราไม่คิดจิตมันก็หายไปเอพอจิตไม่คิดเราก็หายไป เ, เวลานั่งสมาธิจิตสงบนี้ตัวเราก็หายไปเพราะตัวเรามันเกิดจากความคิดของจิตเองว่าคิดว่าเราเป็นเรา เป็นชื่อนั้นชื่อนี้พอเราหยุดคิดปับ๊บมันก็ตัวเราก็หายไปหลังจากฟังธรรมของพระอาจารย์หลายๆเพะนะคะทำให้ได้คิดมากขึ้นค่ะถามตอบถามตอบตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเป้าหมายแท้จริงของชีวิตคืออะไรและพบว่ายิ่งเราทุ่มเทกับความสำเร็จในการงานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลจากเส้นทางธรรมมากขึ้น และชีวิตก็วนเวียนกับการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำๆอยู่มาวันนี้จึงมีความคิดและตั้งใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตใหม่เพื่อหาความสุขที่แท้จริงกับชีวิตะคะ่ะจึงขอความเมตตาพระอาจารย์2ข้อนะคะข้อแรกที่คิดเช่นนี้และตั้งใจเช่นนี้มาถูกทางแเราหรือไหมอันที่2การเดินทางเส้นทางสายนี้เราจะเดินอย่างไรให้มั่นคงและไปรอดตลอดฟังเจ้าค่ะ ก็การไปตามที่พุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญ น, นี้ก็เป็นการการไปเดินเดินในทางที่ถูกก็จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราจะเดินไปในทางนี้ได้อย่างปลอดภัยก็เราจะต้องมีผู้นำทางไปควรจะมีหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแผนที่ หรือเป็นมีครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนคอยว่ากล่าวตักเตือนคอยตอบปัญหาต่างๆให้แก่พวกเราเราก็จะได้ไปอย่างไม่หลงผิดเจะไม่หลงทางถ้ามีคนคอยบอกคอยคอยนําทางถ้าไปโดยที่ไม่มีคนนําทางนี่มันก็จะมีโอกาสหลงได้ถึงแม้จะมีแผนที่ บางทีก็ดูแผนที่ผิดได้งั้นการมีหนังสือธรรมะนี้ก็ดีเป็นเหมือนมีแผนที่แต่ถ้ามีคนที่นำทางได้ยิ่งดีใหญ่เหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนี่ถ้าเราไปเที่ยวเองเราไปเปิดหนังสือดูเองนี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราดูอะไรอยู่ตรงไหนแต่ถ้ามีมรุขุเทศพาเราไปเราก็สบายไม่ต้องเปิดให้มันเหนื่อย ฟังมักกุเทสครับบอกเขาเล่าให้ฟังพาเราไปตามสถานที่ต่างๆครั บ, รบพระอาจารย์มีผู้ปฏิบัติฝากถามมานะครับว่าในช่วงแรกของการปฏิบัติของพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ผ่านเวทนาครั้งแรกได้อย่างไรครับพระอาจารย์ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ก็บริกรรมไปเราก็บริกรรมอนนี้จังอนนี้จังอนนี้จังไปเดี๋ยวจิตมันก็สงบ ความเก็บมันก็หายไปแล้วอีกข้อหนึ่งเหมือนกันครับครั้งแรกของความกลัวที่พระอาจารย์เจอครั้งแรกในชีวิตครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีขั้นตอนผ่านอย่างไรครับก็เดินไปในที่มืดแล้วก็พอเกิดความกลัวสุดขีดกลัวว่าจะงูจะกัดเอาก็ก็ปล่อยให้มันกัดไปยอมให้มันกัดอย่างมากก็แค่ตายยอมตายพอยอมตายแป๊บจิตก็หายกลัว จะ ต, ต้องให้เกิดความกลัวขึ้นมาก่อนเห็นตั้งแต่ที่ทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วพอเกิดความกลัวแล้วก็ปองไปว่ายอมตายเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อถึงเวลามันจะต้องตายอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายเห็นถ้าตอนนี้มันจะตายให้มันตายยอมตายแต่จะไม่อยากจะกลัวอีกต่อไปอพอยอมตายวความกลัว ก, ก็หายไปจิตสงบความกลัว ก, ก็หายไปแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่กลัวตายอีกต่อไป คำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณวีรพอนะครับหลวงพ่อเมตตาชี้แนะวิธีตรวจสอบการปฏิบัติของนักปฏิบัติเพื่อจะรู้ได้ว่าขณะนี้เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือกำลังปฏิบัติธรรมตามเล่เหลี่ยมของกิเลสก็เดิมันสงบแล้วไม่สงบนลถ้ามันไม่สงบมันก็ยังไม่ได้เรื่องต้องทาให้มันสงบเหมือนกินข้าว กินแล้วมันอิ่มแล้วไม่อิ่มถ้ากินยังไม่อิ่มก็ต้องกินไปเรื่อยๆกินไปจนกว่ามันจะอิ่มถ้าอิ่มแล้วก็รู้ว่าถูกทางแล้วถ้ากินแล้วอาเจียนออกมากินแล้วไปถ่ายอย่างนี้ก็แสดงว่ากินไม่ถูกทางกินอาหารเป็นพิษเนกินแล้วก็ไม่อิ่มกินแล้วต้องอาเจียนกินแล้วต้องถ่ายต้องกินแลให้มันอิ่มปฏิบัติก็ต้องให้สงบให้สบายมีความสุข ถ้าปฏิบัติแล้วเครียดแล้ววุ่นวายสับสนนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกคำถามจากคุณซันเดย์นะครับหนูเคยนั่ง แล้วจิตมันหล่นหรือหลุดเข้าไปเหมือนหลุมแล้วก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมามันโปรง่งโล่งเห็นผู้อื่นและตนเองเป็นแค่ธาตุโปรง่งๆโลง่งๆหาตัวเองไม่เจอและมีความสุขที่สุดแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมคะถ้าถูกพอถึงจุดนี้ต้องกำหนดอย่างไรก็ยังไม่ถูกหรอกถ้ามันถูกมันต้องทุกอย่างหายไปหมด เหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบไม่มีอะไรให้เรารู้เราเห็นยันถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ภาวนาต่อไปพุทโธต่อไปดูลมต่อไปคําถามจากคุณพานุวัตรนะครับการที่เราต้องดําเนินชีวิตพบกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องพบกับกิเลสที่มากระทบเราทุกๆวันเราจะมีหลักคิดอย่างไรครับก็คิดว่าเป็นธรรมดาของโลก ในโลกนี้มีทั้งถูกมีทั้งผิดมีทั้งดีและมีทั้งชั่วแต่เราอย่าไปสนใจเท่านั้นเองเพราะเราไม่สามารถที่จะมาทําให้โลกมันมีแต่ถูกอย่างเดียวได้ไม่มีความผิดได้มัแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราให้เราสามารถรับรู้แล้วปล่อยวางได้เท่านั้นว่ามันเป็นเรื่องของโลกที่เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้ เหมือนกับเราอยู่กับมืดกับแจ้งอยู่กับฝนตกแดดออกได้ฉันใดเราก็ต้องอยู่กับความชั่อความดีได้เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของโลกเราเพียงแต่มารับรู้เท่านั้นเองคำถามข้อต่อไปจะคุณวงนะครับรู้ว่าผู้อื่นหลอกใช้แต่ก็สองจิตสองใจก็ช่วยไปเหตุผลเพราะรู้สึกอยากช่วยมากกว่า ไม่ช่วยใจก็รู้ว่าทาไม่ถูกช่วยก็รู้ว่าเป็นการทำไม่ถูกเป็นการสนับสนุนให้เขาทำซ้ำแล้วทำเล่าหรือเปล่ากับผมทำถูกไหมครับก็แล้วแต่เราจะมองอยังไงถ้าเรามองว่าการช่วยเหลือเขาเป็นการทำบุญเราก็ช่วยเหลือไปส่วนเขาจะ ทำด้วยความหลอกหรือทำด้วยความจริงก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปของเขาถ้าเขาหลอกเราทำมันก็เป็นบาปของเขาถ้าเขาไม่หลอกเขาพูดตามความจริงเขาก็เขาก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าเราเป็นห่วงเขาเราไม่อยากจะให้เขาทำบาปเราก็อย่าไปทำตามที่เขาหลอกเราเพื่อที่จะได้ไม่ส่งเสริมให้เขาทำบาป ต่อไปก็บอกเขาว่าถ้าอยากจะให้เราทำอะไรก็พูดตรงไปตรงมาอย่ามาหลอกกันเพราะการหลอกกันนี่เป็นการทำบาปเป็นมุสาวาธาเป็นการพูดปลดไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กับผู้กระทำเพราะจะทำให้ผู้กระทำนี่เสียเครดิตจะไม่มีใครเชื่อฟังต่อไปคำถามจะคุณนัทธวัฒนะครับ การสวดมนต์ไหว้พระในวันพระจะได้บุญมากกว่าทาในวันที่ไม่ใช่วันพระหรือเปล่าครับกินข้าววันพระกับกินว่าข้าววันอื่นมันอิ่มเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับวันเท่าไหร่บุญมันอยู่ที่การกระทำทำวันไหนมันก็ได้บุญเหมือนกันคำถามจะคุณนัชชานนท์นะครับ เมื่อเจริญสติในกายตลอดทั้งวันแล้วสวดมนต์แล้วไม่ทราบว่าทางเดินของการเจริญสติต่อจากนี้ควรทำอะไรต่อครับในการปฏิบัติทั้งวัน เ, ออเวลาก็ในเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธไปแล้วดูลมหายใจไปจนกว่าจิตจะตกหลุมตกบ่อแล้วก็สงบนิ่งพอมันนิ่งแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งไปนา น, น, าน พอออกมาก็กลับมาเจริญสติใหม่แล้วก็กลับไปนั่งใหม่ทำอย่างนี้สลับไปจนกว่าจะชนานาญต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้พอเราชนานาญในทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราเวลาออกจากสมาธิมาเราก็มาเรียนเรียนปัญญากันมาศึกษาความจริงของชีวิตกันเช่นราบยศสรรเสริญสุขที่พวกเราหากันอยู่นี้ความจริงมันไม่ได้เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันจะต้องเสื่อมเวลามันเสื่อมนี่มันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราติดอยู่กับราบยศสรรเสริญเราก็ติดอยู่กับความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยาบไปติดกับราบยศสรรเสริญนี่คือการเจริญปัญญาต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของราบยศสรรเสริญยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากการทําใจของเราให้สงบนี่เอง เราก็เอาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มาแทนความสุขที่เราเคยได้รับจากลาบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงก ล, ลิ่นรสแล้วพอต่อไปเราไม่ต้องยุ่งกับลาบยศสรรเสริญยุ่งกับรูปสเสียงกลิ่นรสแล้วมันจะเกิดจะดับมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์เกต่อไปคำถามจากคุณเอเจนะครับ การลงทุนในตลาดหุ้นผิดศีลหม่ครับซื้อถูกขายแพงอ๋อไม่ผิดเราก็เป็นการซื้อสินค้ายชนิดหนึ่งคำถามจะคุณโสพิษนะครับคืนนี้ไม่ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดแต่ตั้งใจว่าจะพาลูกและหลานสวดมนต์ที่บ้านและหลังจากนั้นจะสวดบทธรรมจักจนถึงวันเริ่มวันปีใหม่ดีหมคะและหลังจากนั้นก็จะนั่งภาวนากัน ดีแต่ควรจะทํา ท, ทุกคืนอย่าทาเฉพาะคืนปีใหม่คืน <laughs> เพราะว่าปีหนึ่งกินข้าวห่อหนึ่งมันจะไหวเหลยมันต้องกินทุกวันการไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิเป็นเหมือนการให้อาหารแก่จิตใจถ้ามาให้แต่เฉพาะวันสิ้นปีนี้ก็ตายพร้อมกระหล่องกระแหลงมันต้องทําทุกวันทุกคืนะแล้วล่างจิตใจจะได้สมบูรณ์จะได้อิ่มเ อ, อิบมีความสุขตลอดเวลา ของดีๆกลับมาเลือกทำแค่คืนเดียวปีหนึ่งทำคืนเดียวไอ้ของไม่ดีนี่ดูทุกคืนดูหนังดูละครนี่นั่งดูกันทุกคืนคำถามจากคุณชวพล น, นะครับข้อที่หนึ่ง หลังจากนั่งภาวนาทำกรรมฐานถ้าแผ่เมตตาให้สรพสัตแผ่ให้วิญญาณผู้ล่วงลับเขาจะได้รับบุญนั้นไหมหากเราบอกให้มาอนุโมทนาบุญและตั้งใจแผ่ให้เขาครับแผ่เมตตาหรือแผ่บุญกุศลแผ่แผ่เมตตาให้สัพสัตอ่าครับ เมตตาต้องแผ่ตอนที่มีคนก็มารับสิเนี่ยเวลาเจอหน้ากันเนี่ยอยู่ด้วยกันอต้องให้แผ่ตอนที่อยู่อยู่ร่วมกันเช่นเวลาเขาดา่าเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปสาธุสาธุขอให้คุณมีความสุขน ะ, อ, ะ, อ, ะอย่างเนี้ถึงเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ไปแผ่ไม่รู้แผ่ให้กับลมกับพระกับฝนกับ ฟ, บบฟาีตอนนั้นยังไม่มีคนรับถึงมาถามไงว่ามีคนรับหรือเปล่าก็มันไม่มีคนรับแล้มาถามทําไมเนา ก็แผ่ตอนที่มีคนรับสิอย่างเนี้ยวันปีใหม่พวกนี้ก็เอากระเช้าไปให้เขาสิอยากจะให้ใครก็ซื้อกระเช้าของขวัญไปแจกกันเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาสองขอสองไงส่งความสุขใช่งไงมไม่ใช่แผ่แบบคิดไปในใจขอให้เธอมีความสุขนะแต่เธออยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้ ข้อที่สองถ้ารักษาศีลได้แค่ศีลห้าระดับของสมาธิที่จะเข้าถึงได้จะอยู่ระดับใดเช่นกสินสมาธิอุปจาระเอเคนิกะสมาธิอุปจาระสมาธิเป็นต้นคงจะไม่ได้หรอกถ้าถือศีลห้าเพราะมันจะไม่มีเวลาพอที่จะมาเจริญสติแล้วจะมานั่งสมาธิเพราะถือศีลห้าเดี๋ยวมันก็ไปนั่งดูทีวีแล้วไปกินข้าวเย็น นั่งสมาธิจิตก็สับสงบหลับไปไม่มีวันที่จะได้หรอกคนที่จะได้สมาธิกันส่วนใหญ่ก็ต้องถือศีลแปดหรือศีลสองร้อยี่บเจ็ดกันจะได้มีเวลามาฝึกสติให้มากๆจะได้งดกิจกรรมที่จะทําให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายเช่นดูหนังดูละครร่วมหลับนอนกับแฟนกิจกรรมเหล่านี้มันจะศีลห้ามไม่ได้ห้ามไว้มันก็ยังทําได้ พอทำได้มันก็จะทำให้มีอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการสมาธิจึงต้องรักษาสิ้นแปดขึ้นไปสิลนแปดสิ้นสิบสิน 8, สอง้อยีิบเจ็ดนี่แล้วก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาข้อที่สามหากรักษาได้แค่สีลนห้าภาวนาบทสวดมนต์ในใจเป็นนิดจนเริ่มจะมีความเบาบ้าง เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะมีคติไปสวรรค์หรือพรมโลกครับถ้ารักษาศีลเพียงอย่างเดียวนี้ก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เท่านั้นถ้าอยากจะไปเป็ น, เ, เ, ปนเทวดาก็ต้องทำบุญทำทานด้วยรักษาศีลแล้วต้องทำบุญทำทานใส่บาททุกวันทำบุญทุกวันอย่างนี้รักษาศีลทุกวันาตายไปก็ได้ไปสู่เทวดา ถ้าไม่ทําบุญแต่รักษาศีลอย่างเดียวก็กลับมากันเป็นมนุษย์ถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ถึงจะไปเป็นพรหมได้พระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติธรรมจากธรรมะในสวนนะครับมีความต้องการจะออกจากงานมาเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเขาต้องการอยากให้ พระอาจารย์ให้ความมั่นใจเขาว่าเขาคิดไม่ผิดใช่ไหมครับถ้าจะสละทุกอย่างเพื่อเข้าทางธรรมโอ้อย่ายให้เรารับรองหนิเดี๋ย ว, <laughs> เ, ดยวเดี๋ยวเกิดมีปัญหาก็มาโทษเราสวย <laughs> ตัวใครตัวมันเดี๋ยวจะมาว่าหลวงพ่อเนี่ยทำให้หนูต้องตก ง, งานนี่สวยค <laughs> ำถามคำถามหมดครับพระ อ, อาจารย์เออเด สอนแล้วไม่พอยังจะให้มารับประกันเนี่ยโ้ <quiero Michel in> anyway, yup. ่ตายก็พระพุทธเจ้าท่านก็รับประกันแล้วเนี่ยว่าตามบวชได้ปฏิบัติได้เจ็ดวันก็บรรลุได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเอาพระพุทธเจ้ามารับประกันดีกว่าอย่าเอาเรมารับประกันเดี๋ยวเรากลัวไปติดคุกติดตารางเ มีใครอยากจะถามอะไรอ้ไม่เคยถามเลยไ่อ้ฉัไม่ไม่เคลียร์ตอนตอนที่หลวงพ่อนั่งสมาธิอนิีจังไปเรื่อยๆเลยเจ้าคะแล้วก็มันก็ต้องมีโปรเซสการปวดสเต็ป1 2 3เราดูกับไอ้ตรงอันหนึ่งเนี่ยมันมันก็คงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ2อก็เกือบๆแล้ว แต่พอพอสเต็ปสามที่ว่าปวดแบบช้างเท่าช้างเนี่ยค่ะอืคือคือตอนตอนนั้นหลวงพ่อทํำยังไงเจ้าคะอ๋อเรายังไม่เคยเจอมันสักทีเท่าช้างเหรอไหนว่าไหนว่าเข้าอับนาต้องปวดเท่าช้างไม่ไม่หรอกก็เวลาเวลาปวดแล้วเราปล่อยวางมันได้จิตก็สงบแล้วเข้าอับนาไปได้พอมันออกมาถ้านั่งต่อเนี่ยมันก็เจอความเจ็บเพิ่มขึ้นไป มันก็เป็นเจ็บเหมือนกันแหละคือหลวงพ่อสเต็ปแค่หนึ่งเหรอเจ้าคะอ่าก็แค่นั้นแหละจะาแค่ไหนสเต็ปหนึ่งแล้วก็เข้ารวมเลยเหรอเจ้าอ่าก็รู้จักวิธีกําจัดมันแล้วเราก็ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหากับมันมันจะตัวหนึง่งตัวสองตัวสามมันก็เหมือนกันมันต่างกันที่ความดุนแรงครับนั่นเอง อ๋ um อ um แต่หลวงพ่อไม่ได้เจ อ, step อสเต็ปสามอ่าไม่ได้สามไม่ได้4อ๋ um อ um สแสดงว่าการเข้าอั ป, ปนาก็ไม่ต้องเจอ step สเต็ปสามก็ได้ใช่คะก็ต้องผ่านคือการเข้านี่ไม่เจอสเต็ปหนึ่งก็ได้ถ้ามีสติดีๆพุทโธห้านาที1ิบนาทีมันก็เข้าได้ค่ะแต่มันก็จะไม่รู้จักวิธีเวลาเจอความเจ็บจะทำยังไงแต่ถ้ารู้จักวิธีเวลาเจอความเจ็บล้วก็บริกรรมไปมันก็เข้าไป แต่หลวงพ่อไม่เจอสเต็ปสามสมพ่อก็ยั ง, งยังไม่ทราบ ว, ว่าบวดมากๆไว้ยังไงเจ้าค่ะก็ไม่ไม่สนใจไม่ไม่สงสัยแค่แค่รวมจิตสงบก็พอแล้วใช่ไหมอ๋อกขอยังช่วยเจ้าค่ะเพราะว่า ถ้าสเต็บสามสงสัยจะแย่แล้วค่ะอ่าก็แล้วแต่ถ้าอยากจะนองก็ลองได้ไม่อยากจะลองก็เดี๋ยวไม่ให้มลอให้มันมาหาเราก็ได้เดี๋ยวถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มาหาเราเองอ๋อค่ะโอ้อแล้วแล้วถ้าหลวงพ่อไม่เจอสเต็บสามแล้วเวลาหลวงพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่ก็ก็ใช้พุทธโธใช้ปัญญาไปปัญญาตัดเลยใช่ไหมเจ้าใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ปัญญาตัดไปอ ของหนูนี่สเต็ปจะเข้าสเต็ปสองแล้วก็ใช้ปัญญาค่ะแต่ว่าคราวนี้หัวใจมันมันสเต็ปหนึ่งมันไม่ค่อยบีบค่ะแต่ว่าสเต็ปสองเนี่ยมันจะเริ่มบีบบีบบีบ ก, ก็แยกแยกเสร็จก็ไม่บีบแล้วก็บีบใหม่แล้วก็แยกเสร็จก็ไม่บีบยุ่ทำอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็พอพอมันก็คงจะปวดเพลินมากค่ะแล้วก็เลยลืมตา คราวนี้ลืมตาเสร็จก็แปลว่าจบเลยค่ะคือออกเลยเจ้าค่ะก็อยู่ที่เราว่าเรากลัวความเจ็บหรือเปล่าถ้าเราไม่กลัวมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ายังกลัวอยู่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็ต้องเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆต้องทำไปจนกว่ามันไม่กลัวรู้จักวิธีที่จะอยู่กับมันได้เจ้าค่ะขอบคุณค่ะมีใครอยากจะถามอยู่ก็ป่า